สู่การหลุดพ้นจากความทุกข์นั้นทั้งของพระพุทธศาสนาจะมีแบ่งไว้เป็นสองช่องทางด้วยกันเหมือนกับถนนที่แบ่งเป็นช่องช่องซ้ายช่องขวาช่องซ้ายสำหรับรถที่วิ่งช้าช่องขวาสำหรับรถที่วิ่งเร็ว ถ้าไม่แบ่งไว้ปล่อยให้วิ่งปนกันรถช้าก็จะไปขวางรถเร็วทําให้รถเร็วต้องกลายเป็นรถช้าไปด้วยจึงมีการแบ่งเลนแบ่งช่องทางวิ่งของรถยนต์รถยนต์ที่วิ่งช้าเช่นรถบรรทุกข้าวของรถบรรทุกผู้ใดยสาร รถเก่ารถคนพึ่งหัดขับใหม่ยังขับเร็วไม่เป็นก็ให้วิ่งไปทางช่องทางช่องซ้ายสนรถที่วิ่งเร็วก็ให้วิ่งทางช่องขวาการปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็เป็นการ เหมือนกับการเดินทางบนท้องถนนที่ผู้ปฏิบัติก็มีอยู่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้มากน้อยต่างกันช้าเร็วต่างกันจึงแบ่งเป็นสองช่องทางสำหรับผู้ที่ปฏิบัติช้าก็ให้วิ่งให้อยู่ทางช่องซ้าย ผู้ที่ปฏิบัติเร็วก็ให้อยู่ช่องขวาผู้ปฏิบัติช้าก็คือพวกข่าลวาดญาติโยมผู้ครองเรือนผู้ที่ยังมีภารกิจเกี่ยวพันอยู่มีภารกิจอย่างอื่นเกี่ยวข้องอยู่เช่นต้องทำงานหาเงินหาทอง ได้เงินทองมาก็เอาไปใช้เงินใช้ทองกันเวลาที่จะมาปฏิบัติธรรมก็จะมีไม่มากมีก็เฉพาะวันหยุดทำงานถึงจะมีเวลาว่างที่จะไปปฏิบัติธรรมที่บ้านก็ดีหรือที่วัดก็ดี ส่วนพวกที่พวกที่ปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ตลอดเวลาก็คือพวกนักบวชนักบวชนี่จะสามารถปฏิบัติทำได้ทั้งวันทั้งคืนทุกวันทุกเวลาจึงถือว่าเป็นรถที่วิ่งเร็วกว่ารถของคาลวาส รถของคาราวานนี้ต้องคอยจอดรับคนนับของขึ้นลงก็เลยไม่วิ่งไปเร็วไม่ได้ไม่เหมือนกับรถของนักบวชนี่ไม่ต้องจอดรับใครพอออกจากพอเริ่มวิ่งก็วิ่งไปแบบไม่หยุด ประโยชน์ก็เมื่อถึงจุดหมายปลายทางจึงแบ่งเป็นสองช่องทางด้วยกันเพราะบุคคลที่ปฏิบัติธรรมนั้นมีสถานภาพต่างกันสถานภาพของผู้คองเืินเราก็เรียกว่านักบุญก็ปฏิบัติทานศีลภาวนาทำทาน รักษาสีห้าเป็นประจำทำได้สองอย่างที่ทำได้ทุกวันก็คือทำบุญทำทานเช่นใส่บาตรทุกเช้ารักษาสีห้าเนี่ยอันนี้คารวาดผู้ครองเรือนจะทำในระดับนี้ได้อย่างสม่าเสมอทำทาน รักษาสีห้าส่วนภาวนาคือการปฏิบัติธรรมนี้จะไม่ค่อยมีเวลาได้ปฏิบัตินอะอาจจะได้ภาวนาบ้างตอนค่ำตอนที่กลับจากทำงานแล้วบางทีก็ได้ทำบางทีก็ไม่ได้ทำเพราะบางวันทำงานหนักเหนื่อย เลยมีงานวุ่นวายยุ่งยากเออทําให้จิตใจไม่สงบเออจะภาวนาก็ภาวนามไม่ไหวาบางมีทํางานเหนื่อยก็ก่อนจะนอนจะนั่งภาวนาก็นั่งไม่ไหวก็เลยนอนเอหรือจะรอให้ตื่นตอนเช้าก่อนแล้วค่อยมาภาวนา บางวันนอนไม่พอก็ตื่นเช้าไม่ไหวเวลาที่จะเอามาใช้กับการภาวนาการปฏิบัติธรรมก็จะมีน้อยมากการความเจริญก้าวหน้าในทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็จะไปอย่างช้ามาก ไม่เหมือนกับพวกนักบวชพวกนักบวชนี่ไม่มีภารกิจการงานที่จะมาคอยลอบกวนใจไม่มีอะไรที่จะมาดึงให้ใจไปทำอย่างอื่นดึงสามารถภาวนาได้ทั้งวันทั้งคืนตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเตื่นขึ้นมาก็เริ่มภาวนาได้เลยจนถึงเวลาหลับนะ การเจริญก้าวหน้าในทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ของนักบวชจึงเป็นไปได้อย่างรวดเร็วดังนั้นผู้ที่ต้องการที่จะหลุดพ้นจากความทุกข์อย่างรวดเร็วมักจะต้องไปบวชกันเมื่อบวชแล้วก็ไม่ต้องทำงานหาเงินหาทอง ไม่ต้องใช้เงินใช้ทองมีเวลาปฏิบัติธรรมตลอดเวลาแต่ถ้ายังไปไม่ได้ยังบวชไม่ได้ก็ต้องอยู่แบบคารวะคู่ครองเลินไปก่อนทำบุญทำทานเป็นปกติสม่ำเสมอทุกวันรักษาศีลห้า เป็นปกติสีหน้านี้รักษาได้สําหรับผู้คลองเรือนแต่เวลาจะภาวนานี้ต้องรักษาศีแปดสีแปดก็จะยากสําหรับผู้ที่ครองเรือนเพราะผู้ที่ครองเรือนยังต้องหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆอยู่ถ้าถือสีแปดก็จะ ไม่สามารถที่จะไปหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนอตต่างๆได้ก็จะเป็นสิ่งที่ยากเพราะว่าเพราะว่าเคยหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นนอตอยู่ถ้าอยู่ดีๆไปหยุดก็จะรู้สึกอกดอัดรู้สึกไม่สบายใจเหมือนคนที่ติด ยาเสพติดพอให้หยุดเสพก็จะรู้สึกทรมานใจจึงเป็นของยากสำหรับผู้คองเรือนที่จะถือศีลแปดกันนอกจากผู้ที่ได้ความได้มีความเพียรพยายามที่จะฝึกฝนอบรมที่จะคอยหัดถือศีลแปด ใหม่ๆก็ยากแต่พอมีความเพียรพยายามอัดรักษาไปทีละเล็กทีละน้อยต่อไปก็จะง่ายขึ้นตามลำดับต่อไปก็จะสามารถรักษาศีลแปดได้ผู้ครองเรือนจึงผู้ที่ต้องการจะปฏิบัติก็มักจะหาวันใดวันหนึ่งในวันหยุด เพื่อที่จะถือศีลแปดเพื่อที่จะได้มีเวลามาภาวนาคือมาปฏิบัติสมาธิกับจารินปัญญานี้เองภาวนานี้แบ่งเป็นสองระดับสมถะภาวนาคือทำใจให้สงบเป็นสมาธิวิปัสสนาภาวนา สอนใจให้ฉลาดให้เกิดปัญญาขึ้นมาให้มีดวงตาเห็นธรรมให้มีสัมมาทิฏฐิที่จะไปใชในการกำจัดโมหะอวิชชาความหลงที่หลอกให้จิตเกิดความอยากกับสิ่งที่เป็นทุกข์ทั้งหลายนั่นเอง ถ้ามีปัญญามีดวงตาเห็นธรรมใจก็จะไม่ไปอยากกับสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์เมื่อไม่ไปอยากมีไปอยากเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ความทุกข์ก็จะไม่มีความทุกข์เกิดจากใจไปหาความทุกข์เองถ้าใจฉลาดใจรู้ว่าสิ่งที่จะไปหาเป็นความทุกข์ก็ไม่ไปดีกว่า เช่นรูปเสียงกิ่นรสเนี่ยเรียกว่าเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงมันมีเกิดมีดับมีเปลี่ยนแปลงอยากดีเป็นไม่ดีพอมันไม่ดีมันก็ให้ความทุกข์กับเราพอมันดับมันก็ให้ความทุกข์กับเราถ้าเราไม่ไปหามันมันจะเกิดจะดับมันก็ไม่มาให้ความทุกข์กับเรา แต่พอเราไปหามันไปพึ่งมันให้มันให้ความสุขกับเราพอมันเปลี่ยนไปความสุขที่มันให้ก็กลายเป็นความทุกข์แทนผู้ที่มีปัญญาผู้ที่เห็นทุกข์ในสิ่งต่างๆเช่นราบยศสารเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสผลตพะก็จะไม่ไปเกี่ยวข้องไม่ไปครอบครองไม่ไปมี อไม่ไปยุ่งเกี่ยวด้วยเมื่อไม่ไปยุ่งเกี่ยวทุกข์ก็ไม่สามารถที่จะเข้ามาสู่ใจได้นี่ระดับปัญญาระดับวิปัสสนาก่อนจะถึงระดับปัญญาก็ต้องผ่านระดับสมถะระดับสมาธิก่อนถึงจะมีกําลังที่จะใช้วิปัสสนาหยุดใจไม่ให้ไปยุ่งกับ สิ่งต่างๆที่เป็นทุกข์ได้นั่นเองการปฏิบัติอย่างนี้ต้องใช้เวลามากสำหรับคารวะผู้ครองเรือนจึงจะไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องอาจจะปฏิบัติได้ในช่วงวันที่มีวันหยุดวันว่างก็ดีกว่าไม่ได้ทำเลย ถือว่าเป็นการซ้อมเตรียมตัวไว้ก่อนต้องฝึกก่อนฝึกทีละเล็กทีละน้อยจากน้อยไปหามากต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติได้เต็มที่ถ้ามีความสามารถที่จะปฏิบัติได้เต็มที่ก็เปลี่ยนช่องช่องทางวิ่งได้เหมือนรถที่เราปรับปรุงแก้ไขให้มันวิ่งเร็วขึ้น รถของเรามันวิ่งช้าก็เอาเข้าอู่ไปตรวจสภาพลูกสูงไม่ดีก็เปลี่ยนลูกสูงใหม่เครื่องยนต์ไม่ดีก็เปลี่ยนเครื่องยนต์ใหม่ปรับปรุงแก้ไขให้รถยนต์วิ่งในความเร็วสูงได้พอรถวิ่งความเร็วสูงได้ก็เปลี่ยนช่องวิ่งได้แทนที่จะวิ่งช่องซ้าย ที่มีไว้สำหรับรถช้าก็เปลี่ยนเข้าช่องขวาไปวิ่งกับรถที่ใช้ความเร็วสูงได้ทุกคนต้องเริ่มจากช่องซ้ายไปสู่ช่องขวาจากช่องที่ช้าไปสู่ช่องที่เร็วเพราะเราทุกคนเกิดมาก็ไม่ได้เกิดมาเป็นพระเลยไม่ได้เกิดมาเป็นนักบวชเลยทุกคนก็เกิดมาเป็นคารวะผู้ของเรือน ทีนี้ผู้ที่มาเกิดแต่ละคนมีเครื่องยนต์ที่มีสมรรถภาพไม่เหมือนกันคือจิตใจที่มาเกิดนี้มีความสามารถไม่เท่ากันนั่นเองมีบุญบารมีไม่เท่ากันบางท่านได้สะสมบุญบารมีมากก็เหมือนรถยนต์ที่มีพลังมากสามารถวิ่ง ได้เร็วมากบางท่านมาเกิดก็บวชได้เลยบวชตั้งแต่เป็นเลนก็มีสมเด็จพระสังฆราชสมเด็จพระยานสังวรสมเด็จพระสังฆราชีนตามประวัติท่านก็บวชตั้งแต่เป็นเน น, เเ น, ว น, เ น, วนบวช ต, ต, ตั้งแต่เป็นเด็กแล้วก็ไม่เสกเลยจนถึงวัน ส, สุดท้ายของชีวิต เพราะว่าในอดีตชาติท่านเคยสะสมบุญบรารมีเหล่านี้มาก่อนเคยเป็นนักบวชมาก่อนเคยมีในืัอมะมบรารมีพอมามาเกิดก็สามารถไปบวชได้เลยคนไม่มีบรารมีถึงแม้ไปบวชก็อยู่ไม่ได้บวชได้ไม่กี่วันก็ึกกัน เช่นเนี่ยมีทุกปีที่วัดมีการบวชสำมเนินภาคฤดูร้อนจะลองหาเนนคนไหนที่บวชตล้ไม่สึกนี้หาไม่มีเลยบวชกี่รูปก็สึกทุกรูปออเพราะแสดงว่ายังวิ่งไปช่องขวาไม่ได้ยังติดอยู่ช่องซ้ายอยู่ยังวิ่งช้าอยู่ยังติดอยู่กับการหาความสุขจาก ลาบยศสารแสงจากรูปเสียงกลิ่นรสผดทพะอยู่ที่ให้มาบวดนี่เหมือนกับมามาทดสอบสมรรถภาพเหมือนเด็กบางทีอยากจะรู้ว่าเด็กมี IQ คสูงหรือไม่สูงก็ให้มาสอบ IQ คดูพอคะแนนออกมาก็จะรู้ว่าเด็กคนนี้ i อคสูงไอคิไม่สูงเด็กคนนี้บางที ไม่ต้องเรียนมาไม่ต้องเรียนระดับมัธยมเลยสอบเอท่านเข้ามาหาวิทยาลัยได้เลยก็มีแต่มีน้อยมากเด็กที่มีไอคิสูงที่สามารถเข้ามาหาลาัยได้ตั้งแต่อายุสิบขวบจบมหาลายนะัยอายุสิบสองเรียนแค่สองปีแทนที่จะเรียนสี่ปีก็เรียนแค่สองปีนี่แสดงว่าเป็นเด็กที่มี ความพร้อมสูงคอยฝึกจิตใจมาในสมัยในอดีตชาติมาก่อนฝึกฝนจิตใจฝึกฝนสติปัญญามีสติปัญญาที่เข้มข้นจึงสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วนี่ก็เหมือนกันจิตใจของผู้ที่จะปฏิบัติสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในระดับของผู้คลองเรือนในระดับของนักบุญก่อนส่วนพวกที่จะไปเป็นนักบวชทันทีนี้ก็มีบ้างแต่น้อยเช่นสมเด็จพระาญานสังวรสมเด็จพระสังฆราชหรือหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นนี่ท่านก็บวชแต่เป็นเนนแต่ท่านให บิดามารดาให้ลาศิขาไปช่วยที่งานที่บ้านอยู่พักหนึ่งพอท่านบวชได้ปั๊บท่านก็กลับมาบวชเป็นพระเลยอันนี้เป็นเพราะว่าจิตใจมีสมรรถภาพสูงมีบุญบา ร, รมีเก่าเยอะจึงสามารถปฏิบัติในช่องของนักบวชได้เลย ถ้าเป็นรถก็วิ่งในช่องทางขวาช่องที่สำหรับให้รถวิ่งเร็วได้เพราะรถวิ่งได้เร็วมากนั่นเองจึงไม่ต้องวิ่งอยู่ทางช่องทางซ้ายแต่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ช่องซ้ายกันอยู่เป็นนักบุญกันไปก่อนบวชเกิดมาเป็นคารวาก็ คองเรือนเป็นผู้ครองเรือนต้องไปทำงานทำการหาเงินหาทองมาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องมาซื้อความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายจึงไม่มีกำลังที่จะไปถือศีลแปดไม่มีกำลังไปฝึกสมาธิไปศึกษาธรรมะเพื่อให้เกิดปัญญา ก็ถ้าอยากจะปฏิบัติเพื่อให้การหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ทำได้เพียงแต่ทำบุญทำทานแล้วก็รักษาศีลห้าส่วนศีลแปด น, นี้ถ้าอยากจะฝึกก็ต้องรอในวันหยุดวันหยุดทำงานก็หัดถือศีลแปดไปอยู่วัดสักวันหนึ่งไปถือศีลแปดไปหัดนั่งสมาธิ ไปหาฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาขึ้นมาถ้าทาแล้วได้ผลดีมีความพอใจมีความยินดีก็อาจพยายามจะทําอย่างต่อเนื่องตอนต้นก็อาจจะไม่คิดว่าจะทําอย่างต่อเนื่องคิดว่าลองไปอยู่วัดสักวันดูสิว่าเป็นอย่างไรดีไม่ดี พอได้ไปอยู่วัดไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมก็รู้สึกมีความรู้สึกที่ดีเกิดขึ้นภายในใจมีความสุขสบายใจเพิ่มมากขึ้นก็ติดใจก็อยากจะทำต่อ<ม>ก็อาจจะทำทุกอาทิตย์เนี่ยทุกอาทิตย์ละหนึ่งครั้งพอมีวันหยุดก็ไปวัด ไปถือศีลแปดไปนั่งสมาธิไปฟังเทศฟังธรรมเพื่อให้เกิดปัญญาความรู้เกิดสัมมาทิฏฐิเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาพอปฏิบัติได้อย่างต่อเนื่องถึงแม้จะเป็นแค่อาทิตย์ละหนึ่งครั้งแต่ก็ได้สัมผัสกับผลที่เกิดจากการปฏิบัติมีความสุขมากขึ้นก็ จะมีความปรารถนาที่จะปฏิบัติให้มากขึ้นถ้าอาทิตย์หนึ่งมีวันหยุดสองวันก็อาจจะเอาวันหยุดทั้งสองวันไปอยู่วัดตอนต้นก็แบ่งไว้สําหรับไปเที่ยวสักหนึ่งวันไปอยู่วัดสักหนึ่งวันแต่พอมาเปรียบเทียบระหว่างไปเที่ยวกับไปอยู่วัดแล้วไปอยู่วัดมันมีความรู้สึกที่สุขสบายกว่าไปเที่ยว ก็อาจจะเลิกเที่ยวเอาวันที่ไปเที่ยวไปอยู่วัดด้วยก็จะเพิ่มเป็นสองวันต่ออาทิตย์ได้แล้วพอเพิ่มสองวันปริมาณของผลคือความสุขสบายใจก็มีเพิ่มมากขึ้นความจำนิจํานาญในการฝึกสมาธิก็มีมากขึ้นการฟังเทศฟังธรรมก็เกิดความเข้าอกเข้าใจดีขึ้น สามารถเอาความรู้มาใช้แก้ปัญหาความวุ่นวายใจต่างๆได้ก็ก็จะเห็นคุณค่าของการไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นก็อาจอยากจะปฏิบัติเพิ่มมากขึ้นก็คงจะต้องรอวันที่มีวันหยุดหลายวันเช่นเดือนพฤษภานี้จะมีวันหยุดหลายวัน อาทิตย์หน้าก็มีหยุดวันจันทร์สาวาิติจันทร์อาทิตย์อีกสองวาัตถิตรัดไปก็ไปตรงกับวิสาขาบูชาก็มีหยุดอีกสามวันสาวาิติจันทร์มีวันหยุดชดเชยก็อาจจะใช้เวลาเหล่านี้ที่ไม่วันที่ไม่ต้องไปทํางานไปอยู่วัดให้มากขึ้นไปปฏิบัติทําให้มากขึ้นพอยิ่งปฏิบัติมาก ยิ่งได้ผลมากขึ้นยิ่งมีความสุขมากขึ้นต่ อ, อไปก็อาจจะหาหาเวลาลดการทำงานลงเมื่อก่อนต้องทำงานเยอะเพราะใช้เงินเยอะเพราะว่าต้องเอาเงินไปซื้อความสุขไปดูหนังฟังเพลงไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแต่พอมาฝึกปฏิบัติธรรมแล้วความอยากเที่ยวมันหายไป มีอยู่น้อยมากการที่จะต้องใช้เงินก็เลยลดน้อยลงไปก็เห็นว่าไม่จําเป็นจะต้องทำงานอาทิตย์ละห้าวันอาจจะลดการทำงานลงได้ถ้าที่ทำงานอนุ ญ, ญาตก็อาจจะขอทำแค่อาทิตย์ละสามวันถ้าไม่อนุญาตก็อาจจะเปลี่ยนงานหางานทําแบบที่เลือกเวลาทาได้ทำงานอิสระ ขายของอ อ, งออนไลน์ก็ได้ขายตรงก็ได้ขายเครื่องสำอางขายาขายประกันขายอะไรต่างๆจะขายเวลาไหนก็ได้เวลาไหนไม่ขายก็ได้ก็ถ้าไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เงินมากก็ไม่ต้องหาเงินมากคนที่เริ่มคนที่ปฏิบัติทำได้แล้วจะไม่ค่อยต้องใช้เงินทองเท่าไหร่ เพราะว่าจะใช้การปฏิบัติธรรมเป็นเครื่องมือหาความสุขแทนที่จะใช้เงินทองเหมือนเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่เคยปฏิบัติธรรมก็เลยต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆอยากจะไปเที่ยวก็ต้องมีเงินทองอยากจะไปดูหนังฟังเพลงไปไปหาไปแหล่งบันเทิงต่างๆก็ต้องมีเงินทองไป อยากจะไปช้อปปิ้งก็ต้องมีเงินทองไปช้อปปิ้งนเมื่อก่อนนี้ก่อนที่ปฏิบัติธรรมก็จะต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือซื้อความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายจากสิ่งต่างๆจากรูปเสียงกลิ่นรสจากข้าวของต่างๆจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆจากโมหะรศพบันเทิงต่างๆก็ต้อง ทำงานเพื่อจะได้มีเงินมาซื้อความสุขเหล่านี้แต่พอได้มาลองปฏิบัติธรรมได้พบกับความสุขแบบใหม่ที่เป็นความสุขที่ดีกว่าความสุขแบบเก่าก็เลยหันมาเปลี่ยนวิธีหาความสุขแทนที่จะใช้เงินทองซื้อความสุขก็มาใช้การปฏิบัติธรรมคือการภาวนาการรักษาศีลแปด เป็นเครื่องมือหาความสุขก็จะสามารถลดการหาเงินหาทองได้เพราะว่าค่าใช้จ่ายยังเหลือน้อยมากเหลือแต่ค่าใช้จ่ายที่จําเป็นคือค่าเลี้ยงปากเลี้ยงท้องค่าปัจจัยสี่ค่าอาหารค่าที่พักค่าอะไรเท่านั้นเอง ก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานมากมายเหมือนเมื่อก่อนเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินซื้อความสุขแล้วใช้เงินซื้อแต่ของที่จำเป็นเท่านั้นซึ่งมีไม่มากเมื่อเปรียบเทียบกับเงินที่ต้องซื้อความสุขนี้เงินส่วนใหญ่จะหมดไปกับการซื้อความสุขต่างๆเงินที่เอามาซื้อของจำเป็นนี่มันตายตัวมันเคยกินเท่าไหร่มันก็กินเท่านั้น ค่าใช้จ่ายมันมันไม่มากก็เลยไม่จำเป็นที่จะต้องทำงานมากก็จะมีเวลาว่างมากมีเวลาไปปฏิบัติธรรมมากขึ้นมากขึ้นเลยๆพอพอปฏิบัติไปถึงจุดหนึ่งก็เห็นว่าไม่อยากจะทำอะไรแล้วทั้งโลกไม่มีความอยากไปเที่ยวไม่มีความอยากไปสังคมกับใครไม่มีความอยากจะไปซื้อข้าวซื้อของ ไม่อยากจะมีหน้ามีตามีเกียรติยศมีอะไร<ม>ก็ไปบวชได้นี่เป็นการเปลี่ยนเลนจากเลนซ้ายไปเลนขวาต้องเพิ่มกาลังความสามารถในการปฏิบัติธรรมให้มีเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับแล้วมันจะทำให้มีกำลังที่จะไปอยู่แบบนักบวชได้ต่อไป เปลี่ยนสถานภาพจากนักบุญไปสู่การเป็นนักบวชนะนักบุญก็จะทำบุญทำทานรักษาศีลห้าเป็นหลักภาวนาตามโอกาสแต่พอได้มาฝึกภาวนาจนสามารถภาวนาได้อย่างเต็มที่ก็เลยพร้อมที่จะไปอยู่แบบนักบวชไปภาวนาอย่างเต็มที่ พอเป็นนักบวชเรื่องการทําบุญทำทานก็ไม่ต้องทําเพราะไม่มีเงินทองให้ทําแล้วผู้ไปบวชก็ไม่เอาเงินทองติดตัวไปด้วยมีเงินทองมีทรัพย์สมบัติก็ยกให้คนอื่นไปเวลาบวชพระพุทธเจ้าห้ามไม่ให้เอาเงินทองติดตัวไปให้เอาแค่อัตตบริขารให้มีสมบัติอยู่แปดชิ้นสําหรับผู้เป็นนักบวช ให้มีบาทไว้สําหรับหาอาหารให้มีจีวรผ้าไตจีวรสามผืนไว้สําหรับเนื้งอง่มแล้วก็ให้มีมีดโกนไว้สําหรับปองผมปงหนวดให้มีเข็มกลัดได้ไว้สําหรับประชุนจีวรเวลาขาดหให้มีเข็มขดัดรัดเอวหนึ่งเส้นแล้วก็มีที่กรองน้ําหนึ่งอัน นี่คือสมบัติของนักบวชให้มีเท่านี้ก็อยู่ได้แนละ้วการทำอาหกินของนักบวชก็ง่ายตอนเช้าก็สะพายบาตรเข้าไปในหมู่บ้านเดินสักรอบหนึ่งก็ได้อาหารเหลือเฟืออยู่เอามากินเลี้ยงชีพไปได้หนึ่งวันอาหารที่เหลือก็ไม่ให้สะสมไม่ให้เก็บไว้เพราะจะกลายเป็นภาระต้องเสียเวลากับการมาดูแล อาหารต่างๆที่ได้มาให้สละไปให้หมดเอาไว้กินพอพออยู่ได้สำหรับวันนั้นก็พอวันพรุ่งนี้ค่อยว่ากันใหม่ถ้าวันนี้หาได้พรุ่งนี้มันก็ต้องหาได้ถ้าหาไม่ได้ก็อดบ้างกินบ้างก็ได้การอดอาหารบางทีมันก็เป็นประโยชน์กับการปฏิบัติเพราะบางทีกินอาหารแล้วมันกลับเป็นโทษ เงื้มันอิ่มท้องถ้ากินมากๆ ม, มันอิ่มมากเกินไปมันก็จะง่วงนอนมันจะขี้เกียจได้แต่ถ้าวันไหนไม่ได้กินข้าวนี้มันจะไม่ง่วงนอนมันจะรืออาจจะรู้สึกหิวทางร่างกายแต่ทางจิตใจจะไม่จะไม่ขี้เกียจจะมีความพร้อมที่จะปฏิบัติได้ทันทีและจะใช้การปฏิบัติ กำจัดความหิวที่เกิดขึ้นได้เพราะความหิวส่วนใหญ่มันเกิดที่ใจไม่ได้เกิดที่ร่างกายความหิวที่ร่างกายก็มีอยู่แต่ไม่รุนแรงเหมือนกับความหิวทางจิตใจความหิวทางจิตใจนี่แม้แต่กินข้าวเสร็จไปอิ่มๆเดี๋ยวคิดอยากจะกินขึ้นมาก็หิวขึ้นมาอีกล่ะพอไม่ได้กินกน็รู้สึกทรมานใจขึ้นม า, ท, าทันที นักบวชก็จะใช้การภาวนามาดับความหิวทางใจพอทำใจให้สงบได้ความหิวทางใจก็หายไปหมดความหิวส่วนใหญ่อยู่ทางใจหายไปหมดเหลือแต่ความหิวทางร่างกายที่เป็นส่วนน้อยซึ่งไม่สามารถที่จะมากระทบกระเทือนใจได้เพราะใจได้ความอิ่มจากการทำใจให้สงบ ได้ความสุขจากการทําใจให้สงบก็เลยไม่เดือดร้อนกับความหิวของทางร่างกายพวกพราปฏิบัตินี้ส่วนใหญ่ท่านจะอดอาหารกันท่านจะไม่กลัวกับการอดข้าวกันท่านกลับเห็นว่ามันเป็นบุญเป็นคุณเป็นประโยชน์เวลาอดอาหารมันจำเป็นจะต้องภาวนามันถึงจะไม่ทุกข์เกี่ยวกับเรื่องการไม่ได้รับประทานอาหาร เพราะใจมันจะคิดปรุงแต่งถึงอาหารแล้วมันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกหิวโหวยขึ้นมาแต่พอได้ภาวนาทำใจให้สงบความหิวโหวยนั้นมันก็จะหายไปทั้นกับเห็นคุณค่าของการขาดอาหารอดอาหารว่าช่วยการภาวนาเพราะมันจะเป็นมันจะเป็นการบังคับให้ภาวนาไปในตัวนั่นเอง เพราะถ้าไม่ภาวนาจิตมันก็จะคิดแต่เรื่องอาหารยิ่งคิดก็ยิ่งทุกทุกทรมานใจถ้าต้องการดับความทุกทรมานใจก็ต้องทำใจให้สงบมันก็เลยต้องภาวนาไม่มีทางเลือกถ้าไม่ภาวนามันก็จะทุกทรมานใจถ้าภาวนาความทุกทรมานใจก็จะหายไปแต่ถ้าวันไหนรับประทานอาหาร มันก็จะไม่ปลกมันก็จะไม่ทุกข์ทรมานทางทางใจเกี่ยวกับอาหารเพราะมันได้รับประทานอาหารแล้วมันก็จะเกิดความขี้เกียจขึ้นมาแทนที่จะภาวนาก็อยากจะนอนเพราะไม่มีอะไรมาบังคับให้ภาวนานี่แต่ความอิ่มมาบังคับให้นอนมันก็เลยอยากจะนอนมากกว่าภาวนาพราะที่ปฏิบัติบางทีท่านก็เลยไม่ไม่กินทุกวัน กินวันสองวันแล้วก็ไปอดสองสามวันสี่ห้าวันแล้วก็ค่อยกลับมากินใหม่พยายามแบ่งคือให้มันให้ร่างกายมีอาหารแต่ไม่ให้มีมากเกินไปถ้าน่าร่างกายขาดอาหารมากเกินไปก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยได้ผู้ที่อดอาหารก็ต้องคอยสังเกตดูอาการของร่างกายว่าเริ่มมีอาการผิดปกติหรือไม่เช่นท้องเสียหรือไม่ ถ้าเกิดอาการปกติก็อาจจะต้องลดการอดอาหารห่งเพราะแสดงว่าร่างกายขาดอาหารก็ต้องกลับมารับประทานเพิ่มให้มากขึ้นแต่จะระมัดระวังไม่ให้รับประทานจนถึงกับกลายเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาคือทำให้เกิดความง่วงนอนเกิดความเกียดคร้านสู้หิวดีกว่าหิวแล้วมันบังคับให้ภาวนา อิ่มแล้วมันบังคับให้นอนบังคับให้ขี้เกียจถ้านอนถ้ามันขี้เกียจการปฏิบัติธรรมก็ไม่เจริญก้าวหน้าถ้าอยากจะเจริญก้าวหน้าก็ต้องหิวหน่อยหิวแล้วมันจะทําให้ต้องขยันภาวนาพอเวลาภาวน า, วนาใจสงบแล้วความหิวจะหายไป น, นี่คือเรื่องของการอดอาหาร ซึ่งการถือศีลแปดก็เริ่มเริ่มต้นขบวนการขังการโอดอาหารแล้วตอนต้นเคยกินวันละสา ม, มื้อเช้ากลางวันเย็นหรืออาจจะมีมื้อแถมก่อนนอนอีกหรือระหว่างมื้ออีกแต่พอมาอยากจะมาภาวนาก็ต้องหยุดกินแบบนั้นเพราะมันจะทําให้ง่วงนอนจะทําให้ขี้เกียจไม่อยากภาวนาอยากจะนอน ก็เลยให้ลองมาถือศีลแปดอดข้าวเย็นก่อนอดหนึ่งมื้อก่อนให้กินแค่สองมือ้อเช้ากับกลางวันก็พอแล้วพออดแล้วก็จะต้องพอหิวก็ต้องไปหัดภาวนาไปหัดนั่งสมาธิไปพุโทโธพุโทโธไปทำใจให้สงบเช่นพวกที่ถือศีลแปดเดี๋ยวตอนเย็นต้องบงังคับให้เข้าโบสถ์กันถ้าไม่เข้าโบสถ์เดี๋ยวเดินเข้าครัวกันนะ ต้องบังคับให้เข้าโบสถเข้าโบทจะได้ไปสวดมนต์นั่งสมาธิทาใจให้สงบก็จะลืมเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องหิวข้าวไปเคยกินข้าวเย็นทุกเย็นพอถึงเวลาเย็นมันก็จะคิดถึงอาหารทันทีก็เลยต้องมีอุบายไม่ให้ใจไปคิดถึงอาหารตอนเย็นก็เลยให้ลงโบสให้ไปไหว้พระสวดมนต์ไปนั่งสมาธิกัน ความคิดที่จะคิดถึงอาหารก็เลยไม่มีความหิวที่เกิดจากความคิดก็เลยไม่เกิด อ, อันนี้ก็เป็นการหัดเริ่มหัดอดอาหารนะเพราะการรับประทานอาหารมากเกินไปมันเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติธรรมมันจะทำให้ขี้เกียจหนังท้องเติงหนังท้องเต่งแล้วหนังตามันจะหย่อนอต้องให้มันหนังท้องหย่อนอ นางตาให้มันตึงจะดีกว่าเวลาไม่ได้กินอาหารท้องมันจะฟูบมันจะหย่อนนะมันหิวมันก็เลยทำให้ไม่ง่วงนอนเันไม่เชื่อลองอดอาหารดูมันไม่มันไม่ง่วงอ่ะมันเมื่อมันไม่ง่วงมันหิวมันทรมานก็ต้องมานั่งสมาธิพอนั่งสมาธิเดี๋ยวใจสงบ เรื่อถึงแม้ไม่สงบเพียงแต่พุโทโธพุทโธไปเรื่อยๆมันก็บรรเทาความหิวความทรมารใจได้ในระดับหนึ่งแล้วถ้าเกิดมันสงบมันก็อิ่มขึ้นมาอิ่มอีกแบบหนึ่งอิ่มใจขึ้นมาความหิวทางร่างกายก็เลยไม่สามารถมากระทบกับความอิ่มทางใจได้เพราะความอิ่มทางใจมีน้ำหนักมากกว่าความหิวทางร่างกายเนี่ยต่อไป ตอนต้นก็อาจจะหัดอดข้าวเย็นก่อนแล้วไปภาวนาพอได้ผลดีก็อาจจะอยากจะลองกินมื้อเดียวแล้วถือศีลแปดนี่ยังกินสองมื้อได้อยู่แต่สองมื้อมันก็ห่างกันแค่สองสามชั่วโมงนกินแปดโมงปั๊บเดี๋ยวสิบเอโมงต้องกินอีกแล้วกินแปดโมงอีกสามอีกสามชั่วโมงก็กินอีกแล้ว ก็กินมันรอบเดียวไปเลยรู้แล้วรู้รอดไปแค่สามชั่วโมงเอมันหิวเวลาหิวก็ไปภาวนาแทนกินมากเดี๋ยวมันก็ง่วงนอนอีกถ้าไปกินมื้อเที่ยงเดี๋ยวมันก็ง่วงตอนเที่ยงแต่ถ้ากินแค่มื้อเดียวตอนเช้ามันก็ง่วงง่ว ง, ง, ง, งตอนเช้านิดหนึ่งตอนที่มันง่วงก็อย่าไปนั่งเดินจงกรมแทนเดินจกักรกรดินจังรกรมจเจริญสติแทนไป พอหายง่วงแล้วค่อยมานั่งพอถึงเที่ยงมันก็หายแล้วมันก็จะไม่มีความง่วงความเกียดข้าเหลืออยู่แล้วแต่ถ้ายังกินสองมืออยู่เดี๋ยวตอนเที่ยงก็มาง่วงอีกมือหนึ่งตอนเช้าก็ง่วงตอนเช้ากินอิ่มก็ง่วงแล้วเดี๋ยวพอเที่ยงมากินอีกมือหนึ่งก็เดี๋ยวก็ง่วงอีกมันก็เลยจะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการภาวนาได้ก่อนที่เริ่มพนภาวนา เริ่มเห็นผลแล้วอยากจะอยากจะภาวนามากขึ้น mm. ก็จะเห็นโทษของการรับประทานอาหารมากเกินไปพอจะรู้ว่ามันจะทำให้เกิดความง่วงนอนนั่นเอง mm. ก็เลยอาจจะเปลี่ยนจากการรับประทานสองมือ้อถือสินแปะนี่แหละแต่เอามื้อเดียวเขาเรียกว่าเอากากินเอการับประทานครั้งเดียวเอากาแปลว่าหนึ่งหนึ่งครั้ง เหมือนพระที่ท่านถือธุดงควัดฉันมือเดียวอพระที่ไม่ปฏิบัติเขาก็ยังฉันสองมืออยู่ฉันเช้าฉันเพนอยู่แต่พระปฏิบัตินี้จะไม่อยากจะฉันหลายมือเพราะหนึ่งเสียเวลาสองทำให้ง่วงนอนอทําให้เกียจค้านในการภาวนาก็เลยเอามันมือเดียวดีวกว่าฉันมือเดียวตอนเช้าแล้วความง่วงนอนมันก็น้อยลงไป เวลาที่จะปฏิบัติก็จะได้มีมากขึ้นไม่ต้องเสียเวลากับการไปหลับนอนและนี่คือวิธีการฝึกหัดต่างๆจากการเป็นนักบุญไปสู่การเป็นนักบวชจะอยู่อยู่ดีๆแล้วไปบวชเลยนี่โดยที่ไม่เตรียมตัวไว้ก่อนนี้อยู่ไม่ได้วบวชได้บวชไม่ยากหรอกท่องคาถาไม่กี่คาถาเข้าบทโกนหัว นุ่งเหลืองห่มเหลืองก็บวชได้แล้วแต่จะอยู่ได้ไม่ได้มันอยู่ตรงนั้นมากกว่าถ้าใจยังไม่พร้อมนี่อยู่ไม่ได้เดี๋ยวถึงตอนเย็นก็หิวข้าวหรือถ้ากินอิ่มก็อยากจะหาความสุขจากบันเทิงมหรสพเหมือนที่เคยพอหาไม่ได้ก็จะเกิดความทุกข์ทรมานใจทุกข์ทรมานใจมากๆ ก, ก, ก็ไม่อยู่ดีกว่าสึกดีกว่า กลับไปหาแฟนดีกว่ากลับไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายดีกว่าแต่ถ้าฝึกไว้ก่อนฝึกตอนที่ยังไม่ได้บวชฝึกอยู่แบบนักบวชถือศีลแปดก่อนแล้วก็มาหัดกินมื้อเดียวหัดกินมือเดีย ว, ยวถ้ายังง่วงอยู่บางทีก็อดมันบ้างอดวันเว้นวันกินวันเว้นวันเนืนอบางที อดสามวันมากินหนึ่งวันก็มีล้วจะเห็นว่าการปฏิบัติธรรมนี้มันจะง่ายขึ้นอุปสรรคที่คอยขีดขวางมันจะน้อยลงความวุ่นนอนความเกียดค้านนี่มันจะน้อยลงไปแล้วการมีสติก็จะดีขึ้นเพราะเวลาหิวนี้ต้องคอยควบคุมความคิดไม่ให้ไปคิดถึงอาหาร พอคิดถึงอาหารนี่น้ำลายไหลเลยเนี่ยังพอมันจะคิดถึงกว๋วยเตี๋ยวขั้าวต้มข้าวผัดนี่ต้องพุโทโธพุโทโธหยุดมันถ้าไม่หยุดมันนี่น้ำลายไหลท้องร้องโกรกโกรกขึ้นมาเลยอันนี้มันจะเป็นการบังคับให้ภาวนาบังคับให้มีสติเนี่ย ถ้าอยู่ธรรมดาสบายสบายไม่มีความหิวมันก็ไม่มันไม่ต้องคิดถึงเรื่องอาหารมันก็จะไปคิดเรื่องอื่นแทนใจก็ไม่มีสติคอยจะคอยควบคุมหยุดมันพอมันอิ่มทางอาหารแล้วมันก็จะไปหิวทางอย่างอื่นแทนหิวขนมบ้างหิวเครื่องดื่มบ้างหิวน้ำชาหิวกาแฟหรือหิวอะไรต่างๆ ที่เคยหิวต่อไปอย่างนั้นเราต้องมาคอยควบคุมคอยกําจัดความหิวต่างๆด้วยการกินน้อยๆกินน้อยๆแล้วมันจะมาหิวแต่เรื่องอาหารอย่างเดียวพอมันหิวเรื่องอาหารก็คอยใช้สติหยุดมันอย่าให้มันคิดถึงอาหารหรือถ้าอยู่ในระดับปัญญาถ้าสอนให้มันคิด ถึงอาหารที่ไม่น่ากินได้มันก็จะทาให้หายหิวได้อย่าไปคิดถึงอาหารที่มันอยู่ในจ า, านย์อย่าไปคิดถึงอาหารที่เขาถ่ายไว้ในร้านเป็นเมนูให้ดูพิซซ่าหน้าตาอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวผัดหน้าตาอย่างนี้ให้ไปคิดถึงเวลามันอยู่ในปากนี่พิซซ่าเวลาอยู่ในปากหน้าตาเป็นอย่างนี้ก๋วยเตี๋ยวเวลาที่มันอยู่ในปากที่เราเคี้ยว ผสมกับน้ำลายแล้วหน้าตามันเป็นอย่างนี้เถ้าเห็นหน้าตาตอนที่มันอยู่ในปากหรือตอนที่มันอยู่ในท้องความอยากกินอาหารก็หายไปออความหิวก็หายไปเลยเ<ม><ม>พราะมันเห็นอาหารที่ไม่น่ารับประทานมันก็กินไม่ลง นี่ก็คือวิธีลดความอ้วนวิธีหนึ่งคนที่มีปัญหาเรื่องลดความอ้วนเนี่ยทุกครั้งที่หิวอาหารอย่าไปคิดถึงอาหารที่อยู่ในจานนะให้คิดถึงตอนที่มันอยู่ในปากอยู่ในท้องหรือตอนที่มันอยู่ในท้องสิ่งที่มันอยู่ในท้อมก็เป็นอาหารดังนั้นนะมันจะเป็นอะไรเห็นไหมอาหารที่กินเข้าไปเดี๋ยวมันก็ย่อยย่อยเสร็จแล้วมันก็ ม, นกมันก็ต้องขับถ่ายออกมา เป็นอาหารเขาเรียกว่าอาหารเก่าอาหารที่เข้าปากเรียกว่าอาหารใหม่อาหารใหม่แล้วพอออกจากร่างกายไปเราก็เรียกว่าอาหารเก่าเป็นอาหารแต่เราไม่เรียกมันอาหารเรากลับไปเรียกมันว่าเป็นอุจจาระมันก็เลยเป็นลังเกียดมันแต่ถ้าเราเรียกว่าเป็นอาหารเก่าแเราก็คงไม่ลังเกี so ยจมันใช่ไหมอาหารใหม่กับอาหารเก่ามันก็อาหารเหมือนกันเพียงแต่ว่าเป็นอาหารบูดแล้ว อาหารเก่าก็เป็นเหมือนอาหารบูดนะอาหารที่เราทําเสร็จแล้วเราไม่เอาเข้าไปเก็บไว้ในตู้เย็นทิ้งไว้ข้างนอกวนันสองวนันมันก็บูดกินไม่ได้<จ> <ส Gina. S 2> มันก็เป็นอาหารเก่าเข้าไปในร่างกายออกมามันก็เป็นอาหารเก่าเหมือนกันให้คิดถึงอาหารเก่าอย่าไปคิดถึงอาหารใหม่เวลาหิวนึกถึงอาหารเก่าอาหารที่เข้าไปในปากอาหารที่อยู่ในท้องอาหารที่ออกมา ออไปอยู่ในซุวมนี่เป็นอาหารเก่าพอคิดถึงอาหารเก่าแล้วความหิวนี้จะหายไปพวกที่รักษาศีลแปลดไม่ได้รับประกันได้ถ้ามีปัญญาคิดถึงอาหารเก่าได้รับรองได้ว่าจะไม่เดือดร้อนจะไม่หิวจะไม่หิวตอนนะตอนเย็นนี่จะไม่รู้สึกหิวหรือพวกที่อดอาหารก็เหมือนกันเวลาอดอาหารนี่มันจะหิวจะคิดถึงอาหารอยู่ในจานอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องดัดสันดานมันให้มันคิดถึงอาหารเก่ามากอย่าไปคิดถึงอาหารใหม่แล้วมันจะไม่หิวมันนวันใจก็จะสงบง่ายนะนี่คือเรื่องของการอดอาหารนี่การผ่อนอาหารหรือการไม่รับประทานอาหารมากเกินไปเป็นคุณเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมต่อการภาวนา เพราหนึ่งมันจะบังคับให้ต้องภาวนาบังคับให้มีสติคอยควบคุมความคิดไม่ให้แค่ไปคิดเพื่อให้เกิดความหิวขึ้นมาต้องคิดให้มันคิดไปในทางที่ไม่หิวหรือหยุดความคิดเพื่อทำใจให้สงบถ้าใช้สติหยุดความคิดถึงอาหารมันก็จะแก้เป็นชั่วครั้งชั่วคราว เดี๋ยวพอเพลอสติพอมันก็จะคิดถึงอาหารอีกแต่ถ้าฝึกให้มันคิดถึงอาหารเก่าอยู่เรื่อยๆต่อไปมันจะไม่หิวเลยอดอาหารกี่วันมันก็ไม่หิวเพราะเวลามันหิวปั๊บก็คิดถึงอาหารเก่าขึ้นมาทันทีพอคิดถึงอาหารเก่ามันก็ไม่อยากกินขึ้นมาทันทีนี่คือเรื่องของการที่เราจะเพิ่มสมรรถภาพ เพิ่มกําลังของใจให้สามารถาปฏิบัติแบบนักบวชได้ต้องหัดตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นนักบุญเป็นนักเป็นผู้ครองเรือนอยู่หาเวลาวันว่างวันหยุดทำงานมาฝึกปฏิบัติามาฝึกใช้วิธีการอดอาหารอาตอนต้นก็อดอดข้าวเย็นก่อนอถือศีลแปอดข้าวเยน็น ต่อไปก็อาจจะกินมื้อเดียวต่อไปอาจจะไม่กินเลยวันนั้นย้อมอดหนึ่งวันวันที่จะมาปฏิบัติอดมันหนึ่งวันก่อนจะมาวันก่อนหน้าก็กินเผื่อไว้ก่อนก็ได้เหมือนเติมน้ำมันก่อนล่วงหน้าไว้ก่อนก็ได้แต่วันนี้กับเติมพวกนี้มันก็เหมือนกันนะให้มันมีอาหารสะสมพลังงานไว้ในร่างกายแล้วมันก็จะอยู่ได้ไม่เดือดร้อน มาตรการการอดอาหารนี้สำคัญถึงจึงมีกำหนดไว้ในสีนแปดนะสีนแปดก็ไม่ให้กินอาหารเย็นเพราะว่าการกินอาหารมากมันจะเป็นที่วอนมันจะทำให้เกิดความง่วงเหงาหาวนอนเกิดความเกียจคร้านมันอยากจะนอนมากกว่าอยากจะนั่งสมาธิก็เลยต้องทำให้มันรู้สึกหิวบ้างพอมันหิวมันก็จะทรมานใจ ก็ต้องบังคับให้มันหยุดคิดถึงอาหารก็ต้องมาเจริญสติพุทโธพุทโธไปหรือถ้าใช้ปัญญาเป็นก็ให้มันคิดถึงแต่อาหารเก่าอย่าไปคิดถึงอาหารใหม่คิดถึงอาหารตอนที่อยู่ในปากเคี้ยวกับน้ำลายกบเคี้ยวกับน้ำลายหรือตอนที่อยู่ในท้องเวลามันอาเจียนออกมานี่น่าน่าดูน่ากินนะ ในเวลาที่มันถ่ายออกมาให้นึกถึงภาพของอาหารเหล่านี้แล้วรับรองได้ว่าอดมากี่วันมันก็ไม่หิวมันเห็นอาหารเหล่านี้แล้วเอามาให้กินกินไม่ลงใช่ไหมถึงแม้ว่าจะอดข้าวมากี่วันก็ตามพอต้องกินอาหารที่เขาอเจียนออกมาเนี่ยดูยังไงมันก็ไม่หิวอ่แต่อย่าไปดูอาหารที่เขาใส่จานมาเลย ถึงม่กินมาพึ่งกินมาหยกหยกก็ยังหิวได้อันนี้คือจิตวิทยาของจิตใจมันเป็นอย่างนี้พอมันเห็นของที่มันชอบโอ้โมันจะอยากได้ทันทีพอมันเห็นของที่มันไม่ชอบมันจะไม่อยากได้แต่ให้วิเศษขนาดไหนมันก็ไม่เอาอันี่คือมีหมาเท่านั้นนะที่มันจะกินอุจจาระได้แต่คนคงไม่กินอ่ะ หิวข้าวขนาดไหนอดข้าวมากี่วันก็ตามพอถึงเวลาจะเอาุจะลาะมากินกินไม่ลงนี่คือวิธีการที่เราจะใช้ในการห้ามไม่ให้กินอาหารมากเกินไปเพื่อที่จะได้ตัดอุปสรรคในการภาวนา ก, กา ร, การ ก็เรอุปสรรคหรือเครื่องกีดขวางที่จะทําให้เราไม่ได้ภาวนามาตรการการลดอาหารผ่อนอาหารนี้เป็นมาตรการที่สําคัญที่พระเจ้าทรงสอนตั้งแต่ยังเป็นคาวาสอยู่เนให้หัดมือเย็นก่อนอดมือเย็นก่อนแล้วต่อไปก็จากสองมื้อก็เหลือมื้อเดียวจากมื้อเดียวก็อาจจะเอาวันเว้นวัน วันไหนที่จะไปอยู่วัดปฏิบัติธรรมวันนั้นก็ไม่กินเลยอาจจะกินอาจจะดื่มน้ําปานะบ้างก็ได้น้ําผลไม้เลืออะไรน้ําพึ่งน้ําอะไรพอให้มีพลังนิดหน่อยเพื่อที่จะได้ไม่ทรมานหิวจนเกินไปแต่ถ้าจิตมีกําลังมากๆจะไม่รู้สึกเดือดร้อนเพราะจิตสามารถควบคุมความคิดเกี่ยวกับเรื่องอาหารได้ เมื่อไม่คิดถึงอาหารมันก็เลิมมันก็ไม่หิว น, นี้เป็นการฝึกหัดทุกคนเกิดมาไม่ได้เกิดมาเป็นพระนอกจากคนที่มีบา ร, รมีเก่ามากๆพอมาเกิดพอโตปับ๊บพอรู้เรื่องรู้เดียงสาพ่อแม่ก็ให้ไปบวชเลยพอบวชแล้วก็ไม่เสร็จเลยอย่างนี้มีน้อยส่วนใหญ่นี้ต้องฝึกจากการเป็นคารวะก่อน ฝึกทาบุญทาทานใส่บาทก่อนฝึกรักษาศีลห้าไปก่อนแล้วก็ฝึกไปฟังเทศฟังธรรมไปนั่งสมาธิก่อนเฉพาะไปเช้าเย็นกลับก่อนต่อไปก็อาจจะไปค้างแรมไปอยู่วัดไปถือศีลแปดไปค้างแรมไปปฏิบัติแล้วอาจจะต่อจากนั้นก็ค่อยเพิ่มจากอาทิตย์ละวันเป็นสองวัน จากสองวันถ้าเป็นไปได้ก็เพิ่มเป็นสามวันหรือถ้ายังไม่ได้ก็รอโอกาสวันไหนมีวันหยุดหลายๆวันก็ไปอยู่วัดทีเดียวมันจะเพิ่มการปฏิบัติไปเรื่อยๆเพราะเมื่อการปฏิบัติมันก้าวหน้าแล้วมันจะมันจะเพิ่มการปฏิบัติให้มากขึ้นไปได้เดี๋ยวต่อไปก็จะสามารถปฏิบัติได้ตลอดเวลา ก็พร้อมที่จะเปลี่ยนเลนเปลี่ยนสถานภาพจากการเป็นนักบุญมาเป็นนักบวชได้เนี่ยพวกที่มาบวชส่วนใหญ่เขาต้องทำอย่างนี้กันทั้งนั้นพวกที่มาบวชแล้วอยู่นะเขาต้องฝึกก่อนที่เขาจะมาบวชเป็นพระเขาต้องฝึกทำตั้งแต่ตอนที่เป็นคาวาสก่อนไม่ว่าจะเป็นพระหรือเป็นแม่ชีก็เหมือนกัน เป็นนักปฏิบัติเหมือนกันเป็นนักภาวนาเหมือนกันเป็นผู้เดินทางในช่องทางเร็วเหมือนกันเป็นนักบวชเหมือนกันเพียงแต่ต่างสถานภาพต่างชื่อทั้งนั้นเองเรียกว่าแมช่ชีเรียกว่าพระแต่ก็เป็นนักภาวนานักปฏิบัติธรรมเพื่อการหลุดพ้นจากความทุกข์เหมือนกันยังไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นพระภิกษุณีถึงจะไปหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ เป็นแม่ชีก็ปฏิบัติเต็มที่เหมือนกับภิกษุณีได้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้เหมือนกันเไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปไปเป็นภิกษุณีถ้ามีก็เป็นได้ถ้าไม่มีก็อย่าไปรื้อรนให้เสียเวลาเพราะมันจะเป็นการหลงทางเพราะเป้าหมายไม่ได้การจะเป็นภิกษุณีเป้าหมายคือต้องการลุดพ้นจากความทุกข์ต้องการปฏิบัติธรรม เห็นถ้าได้เป็นแม่ชีแล้วได้ปฏิบัติธรรมเหมือนกับเป็นภิกษุณีก็ไม่จำเป็นต้องไปเป็นภิกษุณีก็ได้ขอให้เข้าวิ่งทางช่องช่องขวาให้ได้ก็แล้วกันพอเข้าช่องขวาแล้วจะเป็นรถยี่ห้อไหนเขาก็ไม่ว่าขอให้รักษาความเร็วให้ได้เหมือนกันจะเป็นโตโยต้าจะเป็นฮอนด้าจะเป็นเบนซ์จะเป็นบีอมจะเป็น a อรดี้ขอให้มันวิ่งรักษาระดับความเร็วให้มันได้ มือนคันอื่นเขาก็ไม่ว่าอะไรแต่ถ้าไปวิ่งช้าเดี๋ยวเขาก็ต้องเขี่ยกับออกไปเดนซ้ายเพราะมันไม่ได้อยู่ที่สถานะอยู่ที่รูปแบบอยู่ที่การปฏิบัติอนอนี่คือทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์มีอยู่สองท่องทางเหมือนถนนที่เราขับรถวิ่งกันรถช้าเขาก็ให้ชิดซ้ายชิดซ้ายรถเร็วก็ให้วิ่งช่องทางขวาได้ เพื่อจะได้ไม่มาขวางกันรถช้าก็วิ่งไปท่องช่องทางชิดซ้ายก่อนถ้าอยากออกขวาก็ต้องเหยียบคันเล็กเพิ่มความเร็วถ้ารถมีสมรรถภาพวิ่งเร็วได้ก็ย้ายจากช่องซ้ายไปสู่ช่องขวาได้การปฏิบัติก็มีเป็นนักบุญกับนักบวชนักบวชก็ช้าหน่อยนักบวชก็เร็วหน่อย ถ้าอยากจะขยับจากนักบวชไปเป็นนักบุญไปเป็นนักบวชก็ต้องฝึก ห, หัดเป็นนักบวชก่อนที่จะไปไม่ใช่ไปย้ายเข้าไปในช่องขวาแล้วรถก็ยังวิ่งเร็วไม่ได้ต้องหัดวิ่งให้มันเร็วในช่องซ้ายให้ได้ก่อนพอรู้แล้ววิ่งเร็วได้แล้วค่อยขยับเข้าช่องขวาไปถ้ายัางเป็นนักบุญอยู่ยังไม่พร้อมจะไปเป็นนักบวช <overseas. S 1> ก็ต้องฝึกก่อนฝึกเป็นนักบวชตอนที่เป็นนักบุญไปก่อน พอสามารถปฏิบัติแบบนักบวชได้ก็ค่อยไปบวชต่อไปนี่พอบวชแล้วก็จะไปถึงจุดหมายปลายทางได้รวดเร็วกว่าการเป็นนักบุญเป็นนักบุญอาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางรถอาจจะพังไปก่อนร่างกายอาจจะตายไปก่อนนั่นก็ถ้าคนที่ไม่ประมาทก็อยากจะก็จะพยายามเปลี่ยนจากนักบุญไปเป็นนักบวช เพื่อที่จะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางก่อนที่ร่างกายมันจะตายไปเพราะว่าถ้าตายไปแล้วโอกาสที่จะได้มาเจอถนนแบบนี้จะไม่แน่นอนกลับมาชาติหน้ า, าจจะไม่ได้เจอพระพุทธศาสนาอีกก็ได้ก็อาจจะต้องรอไปอีกหลายแสนล้านชาติกว่าจะได้มาเจอพระพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งดังนั้นถ้าเรายังเป็นนักบุญอยู่ก็พยายามหัดมาฝึกเป็นนักบวช ในวันที่เราว่างจากภารกิจการงานต่างๆเพื่อที่ต่อไปเราจะได้ขยับจากการเป็นนักบุญไปไปเป็นนักบวชพอเป็นนักบวชแล้วเราก็จะสามารถเดินทางไปถึงจุดหมายปลายทางได้ก่อนที่ร่างกายนี้จะตายไปถ้าเป็นนักบุญนี้ไปไม่ถึงจุดหมายปลายทางร่างกายก็จะตายไปก่อนได้นี่คือเรื่องของทางสู่การหลุดพ้นจากความทุกข์ ที่มีอยู่สองช่องทางช่องซ้ายช่องขวาช่องสำหรับรถช้ากับรถเร็วรถช้าก็คือนักบุญรถเร็วก็คือนักบุญเราอยู่ในช่องไหนเราก็ต้องพยายามปรับตัวให้เข้าไปสู่ช่องช่องขวาให้ได้เพื่อที่เราจะได้ไปถึงจุดหมายปลายทางภายในภพนี้ชาตินี้ได้ถ้าอยู่ช่องซ้ายนี่อาจจะไปไม่ถึงจุดหมายปลายทาง อาละนาจะคิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะถาวาเรวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุ ป, ปการปฏิอิชิตังปฏิตังตุมหังคิดว่าเมวะสมิจจโตสัพเพปุเรนตุจังกะปา จันโทปนาราโสยธามณิชติราโสยธาสัพพิตโยเววาจันโุสัพพรโคลวินัสตุมาเตภวตวันตารโยสุขิทีขายุโกภวะ พิวาทะนสีลิตสะนิจังวุธาปจายโนะตารโอธรมาวาทานติอายุวันโอสุขังภาลาวันนี้เข้ามาเท่าไหร่ วันนี้ทาง Facebook เข้ามา383ย t u b บ195พิทยาอิวออนไลน์35รับฟังข้างบนนี้28คนรวมทั้งหมด641ครับโอเคใครมีคำถามอยากจะถามก็เชิญถามได้ในช่วงนี้ใครไม่อยากจะถามเองก็เขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ ถ้ายังไม่มีใครถามก็เอาคำถามจากทางบ้านเข้ามาก่อนคำถามจากคุณแมนการที่เพ่งจนจิต ด, ดับคือแบบไหนทำได้อย่างไรเป็นอาการของสมาธิหรือเปล่าครับ เหลือแต่ตัวสติอยู่อย่างเดียวแต่ต้องตั้งใจเพ่งให้ดับให้ได้จุดเดียวเท่านั้นหรือมีวิธีการอื่นด้วยโปรดไม่ตายเขาจิตไม่ดับเหรอคำว่าเพ่งนี้ให้เพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกจนความคิดจิตสงบลงเขาไปเรียกว่าจิตดับความจริงมันไม่ดับมากเขาเรียกว่าจิตสงบให้เพ่งดูลมหายใจหรือเพ่งอยู่กับพุทโธอย่าไปเพ่งอยู่ที่จิตนะ เพราะเราไม่รู้ว่าจิตมันอยู่ตรงไหนจิตนั้นไม่มีที่ให้เราไปเพ่งเราเลยต้องไปเพ่งที่พุโทโธหรือเพ่งที่ลมหายใจเพ่งไปอย่าให้มันคิดแล้วเดี๋ยวมันก็จะหยุดคิดแล้วมันก็จะนิ่งจะสงบเราก็เรียกว่าจิตดับแต่มันไม่ดับเรียกว่าจิตสงบจิตเป็นสมาธิหมดแล้วลอะคำพูดของคน พูดกันไปพูดกันมาไม่ได้ศึกษากันอย่างจริงจังแล้วก็มาพูดมาสอนมาบอกกันก็เลยพูดกันไปมั่วกันไปมั่วกันมาเหมือนตาบอดคนตาบอดคำช้างเคยได้ยินนิทานคนตาบอดคำช้างนะเป็นพวกที่ไม่ศึกษาตัวช้างว่าเป็นอะไรกันนะ่คนตาบอดคนหนึ่งไปจับงวงของช้างก็ว่าช้างเป็นเหมือนงูวะ อีกคนไปจับที่งาก็บอกเฮ้ยเป็นเหมือนหอกเว้ยอีกคนไปจับหางก็บอกเฮ้ยเป็นเหมือนเชือกอีกคนไปจับที่ท้องก็บอกเฮ้ยเป็นเหมือนกำแพงโหดกันถูกกันทุกคนนะแต่ถูกแบบไม่ได้เรื่องไม่ได้เล่าเพราะไม่ได้ศึกษากันอย่างรอบคอบรู้กันเยอะแต่ไม่เอาไปทําให้เกิดประโยชน์รู้จิต ด, ดับรู้อะไร รู้แต่ทำให้มันดับไม่เป็นรู้ไปก็เสียเวลาเปล่าๆการรู้ทางศาสนานี้รู้เพื่อให้มันใหเอาไปทำให้มันเกิดผลขึ้นมาถ้ารู้แล้วก็เหมือนเดิมเหมือนกับไม่ได้รู้ก็อย่าไปรู้ให้เสียเวลารู้นี้เพื่อให้มันเกิดผลรู้แล้วต้องเอาไปทำให้มันเกิดผลถ้ารู้เฉยๆแล้วก็มาคุยกันมันก็เหมือนพวกตาบอดคำช่างมาอวดความรู้กัน รู้ว่าโอ้ยช้างนี่เหมือนเชือกนะเว้ยคนบอกไม่ใช่เหมือนงาเหมือนเหมือนห อ, อกนะมันรู้แบบนี้ไม่เกิดประโยชน์อะไรดูวิธีเพ่งแล้วไปเพ่งให้มันสงบดีกว่าครนี้จบพอมันสงบมันถึงตัวความสงบแล้วมันไม่ต้องมาเสียเวลาถามใครให้เสียเวลา <c oughs> ต้องปฏิบัตินะชาวพุทธเราอย่า อย่าไปอยู่กับการเรียนรู้อย่างเดียวเรียนรู้แล้วก็มาคิดมาปรุงแต่งยิ่งไปคนละทางกันการปฏิบัตินี้เพื่อให้หยุดความคิดความปรุงแต่งหยุดการจินตนาการแต่นี่มาเรียนแล้วก็มานั่งจินตนาการนี่พ่านเป็นอย่างนั้ น, นบ้างสู์บ้างไม่สู์บ้าง อะไรไปหมดแล้วก็มาทะเลาะกันมาเถียงกันปากเปียกปากฉีกไม่เกิดประโยชน์อะไรคนที่ปฏิบัติแล้วเห็นแล้วนี่ไม่ไปเถียงกับคนตาบอดนะคนที่เห็นตัวช้างแล้วไม่ไปเถียงกับคนตาบอดเพราะเถียงไงมันก็เถียงแบบสุดๆเนะี่ยเพราะมันรู้ว่ามันมันจับที่หางมันว่าต้องเป็นเชือกอย่างเดียวยงั้นปฏิบัติกันดีกว่านะอย่ามานั่ง จินตนาการนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรจินตนาการยังไงก็เหมือนคนตาบอดจินตนาการกับตัวช้างนี่ไม่มีวันที่จะตรงกับความเป็นจริงได้ถ้าอยากจะเห็นของจริงรู้ของจริงไปภาวนาไปฝึกสติไปควบคุมความคิดไปหยุดความคิดเพ่งอยู่กับพุโทโธเพ่งอยู่กับลมหายใจแล้วเดี๋ยวก็จะรู้ว่าจิต ด, ดับเป็นยังไง คำถามจากผู้ไม่ประสองค์ออกนามที่ว่าความสําคัญถึงปฏิกูลในอาหารกับเป็นผู้มีความสําคัญว่าเป็นสิ่งไม่น่ายินดีในโลกหมายถึงอะไรครับก็มันไม่น่ายินดีหมายถึงอะไรป ฏ, ปฏิกูลของอาหารก็คืออาหารบูดเนี่ยมันน่ากินไหมล่ะคิดถึงอาหารเก่าแล้วมันน่ากินไหมอาหารที่มันอาจเจียนออกมาเนี่ยเป็นอาหารเก่าะ ไปคิดถึงมันแล้วมันเป็นไงมันไม่น่ามันไม่น่ากินไม่น่าปรารถนาต้องการที่จะตัดความปรารถนาของจิตกับสิ่งต่างๆเพราะสิ่งที่จิตปรารถนานี่มันเป็นทุกข์ทุกข์ตอนที่มันไม่เที่ยมทุกตอนที่มันไม่ได้เวลาได้เวลาอยากได้แล้วได้มันไม่ทุกข์หรอกเวลามันสุขอยากกินพิซซ่าก็ได้กินนี่มันสุขแต่พอไปอยู่วัดเขาไม่ให้กินข้าวเย็นนี่ พออยากกินขึ้นมาก็ทุกข์ขึ้นมาทันทีแต่ถ้าไม่อยากกินก็จะไม่ทุกข์งั้นอย่าไปอยากกับสิ่งต่างๆในโลกนี้เพราะมันจะต้องมีเวลาที่อยากเราไม่ได้ดังใจอยากพอไม่ได้แล้วตอนนั้นจะรู้สึกทุกข์ทรมานใจแต่ถ้าไม่มีความอยากได้อะไรเนยก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจจ <Yeah. S 1> ึงให้พยายามมองทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ว่ามันไม่น่าปรารถนาะ เพราะมันเป็นทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยงเพราะเดี๋ยวมันบางทีก็ได้บางทีก็ไม่ได้เวลาได้ไม่มีปัญหาหรอกแต่เวลาไม่ได้นี่จะกระโดดตึกตายกันใชเวลาเนี่ยตอนนี้ไม่ได้เป็นรัฐบาลเป็นยังไงแ ข, แข่งกันกินเงินไม่ได้นอนไม่หลับอย่างนี้ทุกข์รละสุข ก, กันเวลาได้เป็นโอ้ยมันฉลองกันเจ็ดวันเจ็ดคืน แต่เวลาที่ไม่ได้นี่คอพับเลยนี่แหละคือความอยากมันจะทำให้จะต้องเสียอกเสียใจผิดหวังไม่ช้าก็เร็วเพราะไม่มีใครที่จะได้ทุกสิ่งทุกอย่างเสมอไปแล้วจะมีสิ่งที่อยากยังไงก็ไม่ได้อยากไม่แก่อยากยังไงก็ต้องแก่อยากไม่เจ็บไข้ได้ป่วยอยากยังไงก็ต้องเจ็บไข้ได้ป่วย อยากไม่ตายอยากยังไงก็ต้องตายออพอเราต้องเจอความแก่ความเจ็บความตายมันก็จะเศร้าเออมันก็จะทุกขออ์แต่ถ้าไม่มีความอยากมันจะไม่เศร้าแก่ก็แก่ไปเลยเจ็บก็เจ็บไปเลยตายก็ตายไปเลยจิตไม่ได้แก่ไม่ได้เจ็บไม่ได้ตายไปกับร่างกายทาไมต้องไปเศร้ากับมันทําไมเ อ, อนี่นี่คือ การใช้ปัญญาใช้ความคิดคิดไปในทางที่จะทำให้จิตไม่เศร้าไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆ ต, ต้องพิจารณาว่าสิ่งต่างๆในโลกนี้ไม่น่าพึงไม่น่าปรารถนาเพราะมันเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตามีอีกไหมยังไม่มีนะไม่มีเดี๋ยวนั่งรอเดี๋ยวไม่รู้จะพูดอะไร คนกลับบ้านหมดแล้วเหลือแต่ทีมงานเผยคนทั้งบ้านก็ไม่อยากจะถมแล้ว <laughs> ามแล้วถูกสอกกลับเลย <laughs> อันนี้ไม่ได้สอกกลับเพียงแต่ให้ให้สติให้กติว่าควรจะทำอะไรมากกว่าอย่าไปรู้มากเลยรู้มากแล้วเป็นความรู้ท่วมหัวตัวไม่รอด กับกลายเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติการปฏิบัติเบื้องต้นนี้ไม่ต้องการให้รู้มากให้รู้วิธีหยุดความคิดแค่นี้พอทำอย่างไรที่จะทำให้เราหยุดคิดให้ได้เพราะเวลาจิตหยุดคิดจิตมันจะเป็นสมาธิมันจะมีความสุขมากแล้วมันจะสามารถดําเนินชีวิตไปได้เพราะมันจะรู้ปัญหาที่แท้จริงแล้วว่ามันอยู่ที่ความคิดของเรานี้ พอคิดอะไรไม่ดีหน่อยก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วพอทุกข์เราก็หยุดความคิดแซมันก็หายทุกข์แล้วไม่ต้องไปแก้ปัญหาที่คนนั้นคนนี้ส่วนใหญ่ไปแก้ปิดที่แทนที่จะมาแก้ที่ความคิดมาหยุดความคิดกลับไปแก้คนนั้นคนนี้ว่าเขาทำไม่ดีกับเราเราต้องไปบอกเขาเราต้องไปว่าเขาพอไปบอกเขาไปว่าเขาเขาก็ด่าเรากลับมาอย่างเงี้ยยิ่งเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่ พอเราทุกข์เพราะเขาพูดไม่ดีกับเราเราก็หยุดความคิดนั้นหยุดความอยากให้เขาไม่พูดไม่ดีกับเรามันก็จบออย่าไปคิดถึงเขาเขาไม่ดีเขาจะพูดยังไงก็ปากของเขาเราห้ามเขาไม่ได้อมาหยุดความคิดดีกว่าหยุดความอยากดีกว่าตอนต้นก็หยุดด้วยสติพอไม่สบายใจก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปเลยไม่ต้องไปสนใจกับอะไรทั้งนั้น พอรู้ว่าไม่สบายใจกับพุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวพออยู่กับพุโทโธสักพักเรื่องที่ทําให้ทุกข์ก็จะหายไปมีเข้ามาแล้วไหมมแล้วครับคําถามจากคุณนุชเราเป็นคนทํากับข้าวแต่สามีเป็นคนเอาไปใส่บาต ท, ทุกวันเงินซื้อของก็เป็นของสามีอย่างนี้เราจะได้บุญไหมคะแล้วเราสามารถอุทิศบุญให้ใครได้ไหมเจ้าคะ่ะ บุญเป็นของเงินของสามีก็บุญก็เป็นของสามีเราเป็นเพียงแต่ผู้ช่วยทำให้เกิดบุญแต่ก็ได้ไม่ได้บุญจากการาใส่บาทททาทานได้บุญที่เกิดจากการช่วยเหลือผู้อื่นซึ่งเป็นบุญคนอย่างกันบุญที่เ้าอุทิศนี้จะเป็นบุญอุทิศที่เกิดจากการทาทานถ้าอยากจะทาทานก็ไป ซื้อของเอาเงินของเราไปซื้อของใส่บาทเองแล้วเราก็จะอุทิศบุญนั้นได้หมดแล้วเละหมดแล้วก็ดีเหมือนกันนะจะได้พักผ่อนบ้างจะรออีกหนึ่งนาทีเบืยอคอยกำลังพิมพ์ข้อความอยู่หรือว่าวันนี้เตรียมตัวพรุ่งนี้เป็นวันหยุดกันหรือเปล่า ตรงนี้เป็นวันแรงงานออก็จะบริษัทกิจกรรมต่างกิจกา ร, รก็ผู้ทํากิจกา ร, รประกอบภารกิจธ<อ>ุรกิจก็จะหยุดทํางานยกเว้นข้าราชการข้าราชการยังทํางานต่อเ อ, อเข้ามาแล้วเนียครับคําถามจากคุณวชิราวิทย์ความกลัวในบาปกรรมที่เราเรียนรู้มากขึ้นในชาตินี้ จะติดตัวเราไปทุกภพทุกชาติไหมครับมันแล้วแต่ว่ามันกลัวแบบถึงใจนะไม่ถึงใจถ้ากลัวแบบถึงใจมันก็จะติดไปถ้ากลัวแบบไม่ถึงใจเดี๋ยวก็ลืมได้แล้วแต่ว่ามันจะลืมได้หรือลืมไม่ได้ความกลัวบางอย่างมันไม่ลืมมันก็ติดไปกับเราถ้ามันลืมมันก็ไม่ติดไปกับเรา ไม่มีอ่าไม่ว่าใน YouTube f a c e b o ๊กก็ไม่มีไม่มีช่องใดเข้ามานะเดี๋ยวจะปิดประชุมแล้วนะถ้าเขากำลังพิมพ์ข้อความอยู่เราจะรู้ไหมไม่รู้ใช่ไห ม, ไมต้องร้ายเ็าส่งเข้ามาก่อนนะแต่บางแห่งที่แชทกันเขาจะรู้เนี่ยว่ากำลังพิมพ์ข้อความอยู่ <c oughs> ใช่ไหม มาแล้วครับคำถามต่อไปจากคุณพิทักษ์ความเห็นด้วยปัญญากับความเห็นด้วยสัญญาต่างกันอย่างไรครับสัญญามันลืมไดไ้ปัญญามันไม่ลืมเช่นเราบางทีเราลืมว่าสิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอนิจจังเราก็จะไปอยากได้ขึ้นมา แต่ถ้าเราไม่ลืมเราจําได้ตลอดว่ามันเป็นอนิจจังเป็นทุกขังอนัตตาเราก็จะไม่อยากได้เห็นต้องเอาความรู้ที่เราได้เรียนรู้เช่อนอนิจจังทุกขังอนัตตาหรืออสุภะหรือปฏิกรูนี้ให้มันจําได้ปฏิกูลก็คือเวลาเห็นอาหารก็นั่งนึกถึกมันต้องเห็นปฏิกูลทันที อสุภะก็เวลาเห็นอะไรสวยคนสวยคนงามคนหลอ่อก็เห็นอสุภะทันทีอย่างนี้ก็ถึงจะเรียกว่าเป็นปัญญาแต่ถ้าเห็นคนสวยคนหลอก็ยังเห็นสวยหลอ่ออยู่นั้นไม่เห็นอสุภะก็แสดงว่าอสุภะนั้นไม่ได้เป็นปัญญาเป็นสัญญาจำได้บ้างจำไม่ได้บ้างคำถามต่อไปจากคุณสมพรสิ่งใดที่ผ่านเข้ามา เราแก้ไขตามเหตุปัจจัยแล้วปล่อยให้เป็นเพียงสักแต่ว่าถือว่าจิตนี้ได้ใช้ปัญญาแล้วใช่ไหมเจ้าคะคือเราต้องกำจัดความโลภความอยากของเรากับต่อสิ่งต่างๆที่เข้ามาหาเราอย่าไปมีความโลภความอยากกับสิ่งต่างๆให้สักแต่ว่ารู้เห็นเงินทองเข้ามาก็อย่าไปโลภอยากได้ถ้าโลภอยากได้เดี๋ยวก็ ก็จะเป็นปัญหาต่อไปเงินทองเข้ามาก็ให้มันมาให้มันไปของมันเองอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยากได้มันเอาละนะหมดแล้วใช่ไหมก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไป ทาง